หรือโดยความหมายบางแง่บางด้านอีกด้วยเช่นมีพุทธพจน์ตรัสเรียกฌานสีอรูรปฌานสี่และสัญญาเวทยยตะนิโรธซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิโรธสมาบัติที่รวมเรียกว่าอนุปุปพวิหาร9ก้าทำเครื่องอยู่ที่ประนีตต่อกันขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นตามลำดับพระองค์ตรัสเรียกแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าเป็นตทางคนิพานนิพ า, านด้วยทำคู่ปรับ หรือนิพพานชั่วคราวบ้างทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานเห็นทันตาบ้างสันทิติกะนิพพานนิพพานที่ผู้บรรลุจะเห็นได้เองบ้างเช่นข้อความในบาลีว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานแม้เท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพพานโดยปริยาย คือโดยอ้อมหรือแง่หนึง่งภิษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายะตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทิตะนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวัทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไปแม้นถึงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพานโดยนิปรยายคือโดยตรง ผู้ที่กำลังเจริญวิปัสนามองเห็นขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันจะต้องผันแปรไปเป็นธรรมดาและความโศกเศร้าเป็นต้นเสียได้หมดความร่านรนกระวนกระวายอยู่เป็นสุขท่านก็เรียกว่าเป็นผู้ตะทางนิพพานนิพพานด้วยธรรมคู่ปรับหรือนิพพานชั่วคราวอัิกถาว่าเป็นการเจริญวิปัสสนากิเลสดับไปด้วยองค์ธรรมคู่ปรับคือวิปัสสนา มีพุทธพจน์น่าสนใจแห่งหนึ่งตรัสว่าคนที่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมคิดในทางที่จะทำตนเองให้ลาบากเดือดร้อนบ้างทำคนอื่นให้ลาบากเดือดร้อนบ้างทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้ลาบากเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัตทางใจบ้างครั้นเขาละราคะโทสะโมหะได้แล้วเขาก็ไม่คิดในทางที่จะทำตนเองหรือทำผู้อื่น หรือทำทั้งสองฝ่ายให้ลำบากเดือดร้อนไม่ต้องเสวยทุกโทมนัตทางใจอย่างนี้แหละเป็นสันทิติกะนิพพานเมื่อใดบุคคลผู้นี้เสวยภาวะปลอดราคะสิ้นเชิงภาวะปลอดโทสะสิ้นเชิงภาวะปลอดโมหะสิ้นเชิงอย่างนี้แหละคือนิพพานที่เป็นสันทิติกะซึ่งผู้บรรลุเห็นได้เองอากาลิกะไม่ขึ้นกับการเอหิปัสสิกะ เชิญให้มาพิสูจน์ดูได้โอปัญญิกะควร น, น้อมเข้ามาไว้ในใจปัจจตังเวทิตพังวินยูหิซึ่งวินยูชนพึงทราบเพาะตนคำพี้ปฏิสัมพิธามักแบ่งนิโรธซึ่งเป็นไวัยพ์สำคัญของนิพานออกเป็นห้าอย่างหรือห้าระดับคือหนึ่งวิขมปัญานิโรธได้แก่การที่ผู้จเจริญปฐมฌานดับนิวรได้ด้วยการข่มไว สมาบัติทั้ง8คือรูปฌานสี่และอรูปฌานสีเป็นวิขำพณะนิโรธทั้งหมดเพราะนับแต่เข้าถึงปฐมฌานแล้วเป็นต้นไปอากุศลธรรมทั้งหลายมีนิวรณเป็นต้นย่อมถูกขมให้ระ ง, งับดับไปเองแต่ก็ดับชั่วเวลาที่อยู่ในฌานสมาบัติเท่านั้นพูดอย่างง่ายว่าคมธรรมที่เป็นค่าสึกคือกิเลสต่างๆเช่นนิวรเป็นต้นได้ด้วยโลกิยะสมาธิเป็นการดับกิเลส แบบเอาหินทับหญ้านิโรธอย่างที่สองจัดถังคณิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญสมาธิถึงขั้นจำแรกทำลายกิเลสดับความเห็นผิดต่างๆลงได้ด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับกันหมายถึงการดับกิเลสในขั้นวิปัสสนาคือใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะของสิ่งทั้งหลายเช่นพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นพิจารณาเห็นแง่ใดก็เกิดญาณขึ้น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 แบบจุดดวงไฟดับความมืดแต่ก็ยังเป็นการดับชั่วคราวเหมือนว่าพอไฟดับก็มืดอีกนิโรธอย่างที่สามสมุตเฉทนิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญโลกุตระมักซึ่งให้ถึงความสิ้นกิเลสดับกิเลสลงได้ด้วยการตัดขาดหมายถึงอริยมรรทั้งสี่คือโสดาปติมรรสกัทาคามิมรรอนาคามิมรรและอารหัตมรร ซึ่งดับกิเลสเช่นสังโยชน์ทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับงอกงามขึ้นมาได้อีกเหมือนต้นไม้ถูกสายฟ้าฟาดหรือกุดรากถอนโคนทิ้งนิโรธอย่างที่สปฏิปัตสัินิโรธได้แก่การดับกิเลสในขณะแห่งผลโดยเป็นภาวะที่กิเลสราบคาไปแล้วหมายถึงอริยผลทั้งสคือโสดาปฏิผลสกทาคามิผล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 คือนิพานหรือที่เรียกว่าอมตะาธาตุซึ่งเป็นภาวะที่ปลอดโปรง่งเป็นอิสระในเนื้อโรธห้าข้อนี้สองข้อแรกคือวิขมพณะนิโรธและตัถังคนิโรธเป็นขั้นโลกีส่วนสาข้อท้ายเป็นโลกุตระสข้อแรกเรียกว่าเป็นนิพานได้โดยปริยายคือโดยอ้อมหรือในบางแง่บางด้านส่วนข้อสุดท้าย คือนิสระนิโรธจึงจะเป็นนิพพานโดยนิปรยายคือเป็นนิพพานแท้โดยตรงเต็มตามความหมายนอกจากนิโรธแล้วคำพีปฏิสัมพิธามักยังแบ่งประหาะวิเวกวิราคะและวสักะเป็นอย่างละหข้อเช่นเดียวกับนิโรธห้านี้มีข้อย่อยและความหมายตรงกันทั้งหมดวอสักะแปลว่าการปล่อยวาง ส่วนคำพีรุ่นอัตถกถานิยมแบ่งวิมุตเป็น5ข้อมีข้อย่อยและความหมายของแต่ละข้อตรงกันกับนิโรธ5ที่กล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานอย่างที่รู้จักกันทั่วไปก็คือการแบ่งแบบมรรคผลหรือมรรคสีผลสีได้แก่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล สกะทาคามิมักสกะทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมักและอรหัตผลอย่างไรก็ดีการแบ่งแบบนี้มักพูดถึงโดยสัมพันธ์กับบุคคลผู้บรรลุจึงจะยกไปกล่าวในตอนต่อไปว่าด้วยประเภทและระดับแห่งผู้เข้าถึงนิพพานส่วนในที่นี้ขอย้ำไว้เพียงว่ามักผลนั้นไม่ใช่นิพพาน แต่เป็นเพียงขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึง น, นิพพานนอกจากนี้มีข้อควรทราบพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่ามักข้อแรกคือโสดาปฏติมักมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทัศนะแปลว่าการเห็นเพราะเป็นการเห็นนิพพานครั้งแรกส่วนมักเบื้องสูงอีกสามคือสะกัาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตมัก มีชื่อเรียกรวมกันอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนาแปลว่าการเจริญเพราะเป็นการเจริญในธรรมที่โสดาปฏิมักเห็นไว้แล้วนั่นเอง